12ทุติยสังคเพทกาวักหมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงหมวดที่สององค์ของภิกษุผู้ทำลายสงไม่มีโทษ460ท่านพระอุบาลีทูลนถามว่าภิกษุผู้ทำลายสงประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแลไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับ มิใช่แก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีพิกษุผู้ททาลายสงประกอบไดยองห้าไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับมิใช่แก้ไขไม่ได้องห้าคือหนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม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 สแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วิไนว่าเป็นวิไนัย 4. แสดงวิไนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิไนัย 5. ไม่อำพรางความเห็นด้วยอุดเทศอุบาลีภิกษุผู้ทําลายสงประกอบด้วยองคหานี้แหลไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดํารงอยู่ชั่วกับมิใช่แก้ไขไม่ได้อุบาลี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 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินัย 5. ไม่อำพรางความเห็นด้วยการให้จับสลากอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงประกอบได้องคหานี้แหลไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับไม่ใช่แก้ไขไม่ได้อุบาลี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 สี่แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยห้าไม่อำพรางความเห็นชอบด้วยกรรมละไม่อำพรางความเห็นชอบด้วยอุเทศละไม่ชี้แจงอำพรางความเห็นชอบละไม่อำพรางความเห็นชอบด้วยสวดประกาศละไม่อำพรางความเห็นชอบด้วยการให้จับสลากละอุบาลี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 สแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินัย 5. ไม่อัมพรางสัญญาด้วยกรรมละไม่อัมพรางสัญญาด้วยอุทเทศละไม่ชี้แจงไม่อัมพรางสัญญาละไม่อัมพรางสัญญาด้วยสวดประกาศละ ไม่อำพรางสัญญาด้วยการให้จับสลากอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงประกอบได้องค์ห้านี้แหลไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับมิใช่แก้ไขไม่ได้ทุติยสังคเพทะกะวัคที่ส2องจบหัวข้อประจำวัคภิกษุไม่อําพรางความเห็นด้วยกรรม ด้วยอุดเทศด้วยการชี้แจงด้วยการสวดประกาศด้วยการให้จับสลากนี้รวมเป็นห้าอิงความเห็นความเห็นชอบความพอใจและสัญญาสามอย่างนั้นมีในแยกเป็นห้าในแลขอท่านทั้งหลายจงรู้20สวิธีท่วนในฝ่ายขาว เหมือนยี่สิบวิธีท้วนในฝ่ายดำข้างหลังเทิน